เมื่อลู ป, ปู่นั่งอัดทำอาดเรียบร้อยแล้วญาติโยมก็นัดหมายกันถวายความเคารพลองปูน่นะตรีอ <Good S 2> ัมโอ้โถ <Good S 2> มีอ๊ ตัวเดียวมัดมูงูว่องตัวเดียวว่าปาก <c oughs> าาปาัญหาธรรมะภาษาการฮะไม่มีอะไรละตุ้งแก่เหนื่อยกันแล้วทำบุญที่จะบรรจุดบายไม่เหนื่อย <c oughs> มือขึ้นเตะศีรษะทรายบางบนตับมือขวาตักมือซ้ายตาเบาๆ ปิดหูปิสายปุปิดตาสองข้างปิดปากเสื้บางแล้วนั่งดูบุญนั่งดูใจนั่งดูสวรรค์เห็นไหมสวรรค์ดูที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแลื่งที่บอกทุกคืนทุกเืนนั่นแหละ <c oughs> ยกมือนใจศีรษะแ้าก็ฟังชอบแต่ฟังกันชอบฟังแล้วไม่ทำก็ไม่รู้เรื่องบดูแล้วไม่ฟังอีกก็ไม่เข้าใจเพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดหลักขุมคัมภีร์ภาพมาก อยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ทั้งท่านที่ง่ายง่ายไหมเมื่อกี้นี่ทำบุญอยลมเข้าลมออกนั่นแหละอยู่ที่ลมนั่นบุญสวรรค์ก็อยู่ที่ลมสวรรค์นในใจนรกในอกสวรรค์นในอกนรกในใจท่องไปท่องมากลับไปกลับมา สาบาีพระพุทธเจ้าไม่ให้พูดไปคําเดียวให้พูดกลับไปกลับมาอย่างสอนพระผู้บวชเข้ามาใหม่ให้เรียนกรรมาฐานส่วนมากก็บอกพระไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่ได้บวชนะท่านจงตั้งใจเรียนบทพระกรรมาฐานที่มรรบคูบาอาจารย์เคยสั่งสอนมาเวสาลุมานาคาดันตาตะโจ แล้วก็ตาโจดันตานาักาโลมาเกซ่าให้พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้เห็นเป็นไปตามความจริงแต่ทางโลกเห็นไปตามความว่องฤๅเจ้าความเป็นจริงก็คือเต็มไปด้วยของไม่สะอาดสะอาดตรงไหนผมเห็นอยู่ในกล่องข้าวติดข้าวก็ยังไม่กล้าขันข้าวยังดึงเส้นผมออกเสียก่อนนี่ นะบางทีเสร็จผมจานะยาวๆดึงออกยาวๆนวลไม่กลาม้วนก็ไปกับความเข้านันผักไม่กลา้านะนั่นแหละเตรีมไปด้วยของไม่สะอาดแต่ทางโลกก็ยึดถือบอกเอาออกท่าไหนก็ไม่เอาออกจะเห็นได้ยังไงชั้นอยากเห็นตะวันชันอยากเห็นพระนิพพานอยากอยู่แต่ไม่รับประทาน อยากอาหารไม่เห็นบอกว่าปีหน้าชาติหน้าหิวเวลาไหนบอกเวลาไหนก็ทานกวลาไหนก็ไม่หิวก็ทานทานกันไม่เห็นเลยลงทานใจแหงใจแหงยุ่งกันอยู่ตรงนั้นวันศีนวันพักจะก็ยังยุ่งอยู่พระสงฆ์บอกว่าถึงเวลาสวดมนต์ทำบัดแรแล้วเจะน่าโจเข้าในศาลาก็ไม่เข้าวนไปว น, ป ม, นมาจุดนั้น เคยเทศจุ่วัดธรรมมงคลอ่านตั้งแต่ลงลงทานสามร0อยสี่รอยลงทานทำบุญลงทานนุบุญลงพ่อปเทศว่าลงทา น, นํำบาไแม่บ้าดนด้วให้พวกเสือสีใสขาวชุดขาวประกาศให้ไปเข้าพิธีตรวจจักขี่เดินบนอยู่วันปีปิ่งประมือกันละ ยิงไเตะกีฬาได้ะจมูกได้ยากาลูกเสียงกินร็หนักสินก็จีเร่ก็ทะลุเสียออกไปล้ไเห็นเรื่องีมเลยดินลงวาสยตุยจนวัิเขาก็ว่ไหนมัลงขวามันกันต่อยู่น้มนั้นลงท่าลงท่านั่นลงฐานําบาปไหน ทำให้ใจคนไปหลงเรื่องปากเรื่องท้องอะไรไม่มีความอดทนสู้จิตเลกไม่ได้จิตเลสมันพาไปเหียวเพราะมันมีถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่อยากละนะไม่ด่ยวยวนจิตใจมันก็เป็นบุญบุญคือของเบาเอาของหนักมาให้จิตเลสก็ไม่ละ บินตบบาทเนี่หาที่หาที่เรินก็ไม่ได้เต็มไปหมด2อาคนเต็มพอฉันแล้วไปทำไมเยอะแยะกลวงพ่อเจ้ า, รร า, าทรงอนุญาตให้พระผิจุตสงรับอ่านอันเฉพาะฉันมาให้รับมากไม่ให้รับเกินขอบปากบาทเลยทรงเป็นลุ ป, ป, ลประสบไปแล้วในหลักเศจิวัดรรกตดังบินดาปตัง พูนจิตาบิดติจิากระละจิยาสัปตาห์ทันจิตบิดาปตังปุนจิตาบิติจิตกระละจิญญาสัปดาหนั่นนังบิดาปตังพูนจิตาบิดติจะกระละจิญญาในปิณบาตเรียงเกี่พอเพียงพอดีจะรับมากจะให้เกินขอบปากวาทในเวลาฉันวิอาการจิยญาพอประมาณพอฉันแล้วก็กลับเลย จิจ้มยำจานโดมจะใส่เยอะงานใหญ่ๆไม่ใส่เล็กหน่อยตามใส่กุณลาบสับปีสับปีโอ้สองสามคนจะเทออกเพแต่พชรลาบากนั่นหรือทําบุญนะไม่ว่าทำบทำุญต่บะทําบุญจะบะบางงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นแลวหลวงพ่อเราหลวงอยู่วัดป่าเราหลวงคนเดียวเกเษตรไม่ใส่วันน้ภาพหลวงป่ไปวันไหนาาาไาาก็จะยำเรื่องป่าหลวงท้องนี่าายวันไหนก็ถ่ายอยู่ ก, กี่ครั้งบางวันยัดเยียด ดักันจะลม่มล่มดันคุกพระหรอดักันนะคนเยอะมาหมายว่าทําบุญจะได้บาปมันเป็นยังไงหรเข้าใจไหมล่ะอยากทบุญก็นั่งบนมือดีกว่าไปนั่งให้ลำบากสองสาคนถ่ายเทสองสามคนถ่ายเท <c oughs> ถ้าไม่มีจะลงมาถ่ายเทพระวิสุทธิสงฆ์ถ่ายเทเองมันเป็นบาปนี่มันเกิดความอยากเกิดความโลภวิญญาเอาไปทําไม <c oughs> ย่ำอยู่แต่เรื่องปากต้องไปวันวันลงกวแล้วขายของมาขาดบนกันแล้ววัน <c oughs> ลุงทานไม่รู้เกลียแหงเกียแหงวันงานจริงไม่มีใครไปกินข้าวเพราะว่าถูกเทศมาบ่อยทุกวันทุกวันกลัวจะได้บําัดศีรษะเพราะนั้นจิตตก <c oughs> หลายวัน <c oughs> ไม่พัดยุ่งเดียวขอลงทานหน่อยลุงปู่ขอลงทานหน่อยลุงทานไม่ได้ลุงปู่ห้องน้ําไม่มี นั่นเห็นว่าที่เข้ามันเข้าง่ายแต่ที่ออกมันยุ่งประเทศไทยอะ่อยะโดยเฉพาะอาหารบีบผงโลหเห็นว่าบีบไปกับพวกฟังเัีกันเป็แถว อ, อยู่หลวงปู่ห้องน้าําสกปรกหลวงปู่ห้องน้ํามไม่มีคนรักลอ้อมไม่มีคนรักษาไม่มีคนล้างห้องน้าําสกปรกเอาคนที่พูดไม่ใช่คนเหลือให้บอกว่าห้องน้าําสกปรก ถ้าเป <tra> um <cricket> <ifie> e ็นคนกอดร่างเชื่มันเสร็จใช่อะไรลูกปูลูกปูไปว่ายลูกูกเนร่าไในสินั่นคพูดไปทาบุญไปทาบุญมาปนเรื่องจุ่งไปบอกสิอยากฉันอะไรทานอะไรก็ทานน่มันอิ่มสักวันนึงไปวัดสิไปฆ่านี่ยงไปผิดผิเปี้ยนไปอย่างนั้นไปฆ่านี่ยงดีแล้วแ้เรื่องบะอบาก มึงจะได้บอกว่าตุ๋มเต็มึ่งึ่งอยู่บนแท่จีม่มึงใช่ไหมุ้างา น, นเหมือนกันนย่แหละข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่มีคนเยอะอย่างนี้นะร้านอาหารเอามาร้านปี้งไก่ร่านต้มไข่ต่ออะไรต่ออะไรเต็มไปหมดทีนี้พวกร้านอาหาก็อยากได้ของกลับบ้านของในจะนาออกทีอีของเข้ามาในวัดก็ไม่อยากเอาออกไปที ยยอยากได้ความถึนไม่รู้ไม่มีอยาโยมเหมือนปราษีไปไทยกัด้วยนะ๋อกมาคนจะเอาก็มมีเทลงถุงดําเบี้ยขึ้นเทไปเทตรงถุงดำวอวหลวงพ่อตำรวจทงเวทเราแต่ของในหลวงมาเททิ้งเพทิ้งอะกมาทําไมเยอะๆแต่ทานให้หมดเอามาทำไมหรอเค้ยยังเคยบอกกูเ้ยแล้วก็ทานกันนะอาหารทานให้หมดถ้าไม่หมดอย่าเอามาอีก ลูกหานกุวปวยตางประเทศเหมือนกันทำาอาหารถามออกตุนยศจวกหลานเป็นยังไงลูกหลานคนต่างประเทศไปทานอาหารไหมไปทานหลวงปู่ต่างประเทศจิตนีก็ย <c oughs> <c oughs> ังไงจึงว่าจิตตนีเขาทานแล้วเขาก็ตายเงินแล้วเขาก็ไปเลยไม่นั่งนาน <c oughs> ทานนิดหน่อยทานหมดแลก็ไปเลยไม่ยุ่งไม่ยาก ที่ตันี่ไม่สั่งมากเหมือนคนไทยถ้าคนไทยเปน็นยังไงหลานลูกหลานพารับหนึ่งก็ไม่ลูก้กี่ถ้วยกี่จานคนสองคนแตมเพื่อใเต็มจานเวลาจะไปสิ้นเดือนนึ่ค่อยเอานะหนุนเห็นไหมล่ะเวลาเราไปเอาของมาขายสิ้นเดือนจะเอาของมาทำไมเราจึงไปบอกของได้มาเรื่องของอ่ะ แล้วประเทศเดียวกันกๆๆนั้นน่ะความทิ้งก็จะจะจายอยู่นั้นเวล่างถ้วยล่างจานอีกใช้เวลาเท่าไหร่เท่อจานเดียวก็ไม่เอา น, น่าต้องมีจานรองอีกช้อนหวานช้อนข้าวอีกถ้วยหวานถ้วยข้าวอีกต้มนั่นแจ้งนี่ไม่รู้จีดังถ้าจะเอาไปอีกเขาแต่ว่าคนขีดโกรกวาาที่ดแบบมันละเอียดดีแต่แท้ที่แบบต่างเยอะเยอะ ทานนิดหน่อยดีไม่ดีคั่มก็ไม่เลิกกันกินตะเปียตะแฉนเดินไข่เดินโบกโยกกระหว่งางซ้ำแทนที่จะตรงเติมประเทศเดียวกันจะไปทําลายต่างประเทศตกรีบทานแล้วก็รีบไปทํางาน <c oughs> ก็ไม่อยากลุงยากน ะ, นะจ่ายฟ้องหมดของเราแล้วถิ่ น, น, น เ, <c oughs> เนดือนถิ่นเดือนคอยเอาไม่เจริญได้ยังไงล่ะ ค่าล่างถ้วยล่างจานเท่าไรค่าแว็บเท่าไหร่ค่าะบู่เท่าไร่ค่าคนล่างอีกเท่าไหรเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปคิดดูสิแล้วก็ไม่ลุกหนีอีกืทอด้วยนั่นแหละเพราะจะนั่งก็เลยหลงค่านี่โยนไปผิดผิดเป็นเพี้ยนเรามาวัดทําบุญอยเหมือนกันนั่นแหละเมื่เอาของไปวะดุ่งก็ว่าไปทําบุญบุญคือของเบาเข้าใจไหมไปตัวเปล่าหลวงพ่อไม่ ตำแหน่้เราสมาตัวเปล่าดีใจเพราะให้ได้เห็นหน้าไมได้มากรามาไหว้มานั่งสมาธิดูลงเข่าลงหอังนั่งภาวนาไม่ใช่เอาของไม่ไะดุ่งเฝ้าหน้าเฝ้าหลังไปไหนก็ไม่ได้แบบกูว่าที่โ่ทุกคนรักษากูว่าจานต่างๆให้หลวงปู่มาก่อให้หลวงปู่มาก่อนบ๊หลงนี้จะเทลียสมัยนี้กินนี้ทิ้ แล้ว น, นี้ตนนีนหนมาอีกแล้วใอ้ลูกปู่ก็ถอนลอยไ่โอ้ยจุดเราทำจุาหมือนก็เลยว่าล่าห่า <c oughs> ขอบฉันก็บ่าได้คืออยู่หัวเตะตั้งหัวเตะดเฝ้าอยู่ห่อยแล้วว่าเฝ้าอย่างนี้นันนี้นเนท่นนายถ่ยรูจังตนจังสีบอกห้ามไม่ถ่ายรูปเวลาขอบฉัน บางปีพระสงฆ์ก็พังเถื่อไปเอาไปถายเห็นที่ไหนบ้างก็ที่ไหนบ้างน <c oughs> ั่นแหละทำให้พระสงเสียก็ว่าไปทําบุญเห็นไหมหลวงพ่อชาติไม่รู้จี่ถ้วยกี่จานนะ่ไปว่าพระชั้นในบาทก็ได้แล้วมันเลืเอดเถื่แล้วของเสีบาทญาติโยมก็ไปทานมาทุกวันสมัยก่อนแยกกัน รับนั่นแกงพักกิเลสเดี๋ยวจากคนบาปเทวทวมกันรู้จักเกี่ยงมินเลี้ยงข้าเดียวประตเมือที้เลิศเทอะตัวนั่นโร <c oughs> กเจริญธรรมะประ เ, กกเสรอมเห็นไหมล่ะเป็นที่จะรักษาให้พระสงฆ์ในรักฐาทุโลนกัฏกบฏทาให้พระสงเสียทุโลนกัฏทำอะไรทำนึ่งถึงกุมได้หรือทำนังถึงกุมเสียบ้างไหม แต่ว่าไปทำบุญทำบุญจัดสำรับมาพ้อมแล้วทุกวันนะเพราะฉะนั้นอยากใช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาก็คือพุทธบริษศจีภิกษุสมณีอุปัชาอุปัิกา็พูดแลวพูดได้ผู้ยก่นเรื่องเดิมๆนั่นแหละเราเห็นพรสงไปเป็นสถาบันปราจันนิมนหลวงปู่กับวัดนั่นถูกต้อง ไม่ใชนี่มหวงูเอาห้ามาอีกนี่มัหลวูเอาเข่งมาอีกลงกูเอาเข่งมาใส่รถเอาเลยนนท์ทำใหพยุ่งยากถึงฟ้องร่อจับกันว่าพระเจ้าประสงเอาหมาเห็ดลอด่อเส้รถแต่หมาแกอาหารเขาก็จับว่าทรมานหมาอีกแล้วนี่ยในเมืงไทย เพราะต้องถาคกดเลกจึงจะได้บุญเ่ไม่ใช่เอามาเสริมเขาเสริมเข่าเสริมเขโดยเฉพาะตกวันมันไม่ น, าน่าเพราะมันรูหลาฟุ่มเวยไปที่ไหนมีหม็อแต่สมัยก่อนเรากรุงเทพพอมีตะบะงง่อมีแก้ ว, กออวก ป, นนประดี๋ปอกก่อนว่าปัตตุมือนนี้มีไปไสนมีวัดทางโลกจะเริญธรรมากกเสรอมตาเสริมตายตายัวเจ้าจึงวางหลักทำไรฮะ พันปีนเป็นอยู่ทั้งนี้เปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเปลี่ยนแปลงไปก็เลยลืมปฏิสังขารโยนในโชวบินดับปะตังอาหารเราบินตะาบัดเทีเ่ยวเกลี่ยเกล่ยเกินเกินผสมประสานเข้าไปเกี่ยเกลี่ยเกินเกิ น, นทั้งน้ำหมกน้ำลายแต่น้ำลายไม่ออกมันก็เกินไม่ลงเข้าใจไหมเดี๋ยวพิจารณาว่าปฏิสังขารโยนในโชวบินดับปาตังตองพิจารณาสังอาหารนังอย่ากให้ฉันเพื่อกะเด็นอร่อยให้ฉันพอยได้ปฏิบททัติธรรม อยู่ว่าฉันหรืออยู่ว่าฉันฝันปไปได้ปฏิบัติธรรมนี่ะคำพูดของพระสงฆ์อย่างนฉันนะไม่ใช่ว่าพระทากินประจาเจาบานนะดีหน่อยก็รับประทานสูงสุขดขึ้ <c oughs> <c oughs> นมาเสวยนะถ้าพิจารณาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมันก็นทำลายกิเลสนั่นแนหะฆ่าไม่ฆ่าไปราบนฆ่ากิเลสเด็กมันเห็นกิเลสตรงตรงเราไปฆ่าเวลาไหนถ้าไ้ฆ่าเวลานั้นนะ แล้วก็กินพุ่มบบอยากเจะาป่าปัดกวาดพุ่มเขียดจ้ากกินพุ่มฮอนจ้า่ยอดพ่มเมาพุณเจ้าข้าไม่หมดแล้วกินพุ่มจักเป็นก็ขน่อยขาแม่เกิดกิเลสมากไม่ถึงก็เกิดของหน่อยขาแม่ไม่รู้จาก็เป็นไดทานญี่ปุ่นไดทานไ่ด้หัวใจทับกับมีคือกานข่าลงไปฆ่าไม่ปากข่ากิเลสกาลังหิวอยากกินแต่ไม่กอนเด้อเป็นฝานมวด ไม่มีเป น, นตบะมาละละแคนสิ่เด้สันหลวงปู่ลวยหลวงปู่ลุยมันไปเ ย, ยอะทำบัตรถดมบัตรพระเทตะกอนถือแบบนั้นเป็นพธธระเทอทมานกิเลศนั่นอดใจได้เป็นพระเราทองตามใจชอบมาได้หรอกอดไปมากเลยเศร้าอยากทำนานเป็นบ่าเินเทอทรมาร์จื่อะไรปากเิเล จึงไมมีคถาอา่อกินความอยากอากปอบควาเกลียดตีลงไปอีกทีกิเลสก็ปากมันจินว่า ไ, ได้ออกสมเห็นว่าฉันว่ได้บุญจกกบฏกัแจกฉันที่ด่าลงไปที่ตากเกลียดไม่ไดเกลียดเ่านัน้ น, นที่กเกลียดยแพ้ไม่ยังะ่ะมันมีผลเวลาไปนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะบังคับนั่งสมาธินะทำอะไรทุกถึงทุกอย่างยงลู้เท่าทัน ในการเคลื่อนไหวในการกระทำธรรมเราได้เป็นไปเพื่อป่ากิเลสเพื่อฆ่ากิเลสนี่นั่นฆ่าไม่ได้เพราะใช่ปัญญาฆ่าไม่ใช่บีดมีดไม่ใช่ใช่ดาบไม่ใช่ปืนยิงกิเลสยิงก็ยิ ง, ย ง, ยงไม่ถูกล็อกปืนกิเลสดาบก็ฟันไม่ถูกลรอต้องปัญญาปัญญามมาจากไหน ม, มาจากสมาธินะสมาธิมาจากความอดทน ทำไมอดทนเวลานั่งสม น, นั่งไม่ได้นั่นวะก็ว่าบังคับกันที่ไว้ตามใจที่นะไม่ต้องบังคับไว้นะไม่ใช่บบไปบังคับแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสิงไหนเป็นไปเพื่อฆ่ากิเลสฆามลงไปนั่นนะบังคับก็คือข่ารู้ไหมก่เลดคืออะไระจนเราไม่รู้กิเลสเราโล ก, กดหลงว่าท่องอยู่บ่อยๆแต่มตันจาไหโลก กรมาจากไหนแล้วมีตัวหนึ่งแล้วก็ตามมาอีรกรอโกรธหลงรักรอบโรกรธหลงเพิ่งเข้าไปอีกถ้ามีความโลภลูกก็ิืมไปหมดเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้สอนให้ไปโลภไปก่นไปข้ถ้าข้าไปตีอยู่ในธนาคารอยู่ในล้านทองมีเจ้าหน้าที่ถือปืนจําทําไมไปขโมยได้ไปป้นได้ไปขี้ได้ธนาคารดีเท่าไหร่ตู้เซฟดีเท่าไหร่ไปต้งหาวิธีขุด ลุมเจาะหลุมออกไปเจอะทัดแผ่นดินก็ไปหาที่เก็บหนุตั้งแต่ที่พรเจ้าไม่ได้สอนอทำไมไปทําได้ทําดีก้นได้ก็ว่าดีฆ่าเขาได้ก็ว่าดียี่ได้ก็ว่าดีเงนเหรอนั่นหรือทําดีนั้นที่ไม่มีบรรดาก็มรู้ว่าเหลือดรอนตอนเองและคนอื่นนั่นไม่ถูกต้องนันมันถูกใจนะสิ่งที่ถูกต้องทําดีไม่เหลือดรอนตอนเองและคนอืนะ่นนะนะในเรื่อง กิเลสเดือดร้อนไม่เป็นไรร่อนไปร้อนมาเดี๋ยวมันก็เย็นทำให้มันเดือดร้อนเสียก่อนคุกคีตีมงกิเลสทำให้เดือดร้อนเสียก่อนนะเพราถิ่นธรรมของคุณเจ้าให้รู้เท่าทันเนี่ยทำของพ่อแม่อุบาจาจะเทศในใจของเราเทศให้กิเลสของเรามันไม่หิวมันไม่ฉันไม่ได้ไมันต้องฉันก็เอามาดืสดก็เไมก่อนข้ามก่อนเดี๋ยวเ้าใไปใบหน้า กนยินบกขามกมขอบากกิโลกเลด็กุม่มเนี่ยข้ามเงก็ดาาดได้พราา่นเอ้็ตะบันเพนแต่กขาุคคนึ่งกข า, ามนึอออยากเต่ก่อนากขาม้นต้นมันกอดพวหุ่มเด็กรัมากพอจากด้วนเป็เปีบาสียบตขึ้นมาได้มั น, มนสูงปากขาตเจบเป็นเสียบเน็ตแบบ ไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากไม่คำนึงถึงความอดยากคนะำนึงแต่ทําไงจิตสงบจิตจะนิ่งนะแต่พระเจ้าถึงสอนในลูกกมลเสนาสนางตูปปาคนะือคนเราลงตามแนวทางของพระเจ้าพระเจ้าพาหมั่นก็นั่งพ า, งพ า, งพาอดก็อดพาทนก็ทนพาเหิวก็เหนื่อยงปีไม่ได้นอน <c oughs> นั่งกี่วันจีวันก็ไม่ได้ว่าอราเป็นเราตายสู้ก็ไปสู้ก็ไปนะที่เรามา พูดถูกผันก็ได้ไปฝึกฝนอบรมตามแนวทางของพระเจ้าพระขนลอนก็นั่งขนหลอนเหมือนกันนั่งหนังเหี่ยวเหมือนกันขนหนังทะลอกเหมือนกันเห็นแต่บางทุกขจินิยานะเยังไงนะไม่ค่ยเห็นนะไม่รู้ว่าไม่ค่อยนิยมกันกลัวพระสงฆ์จะไปทําธรมานอะได้ก็ไม่รู้นะางทุกขจิติยาไม่ค่อยได้เห็นรูพ้พระเจ้าบ่อยๆนะ หรือซึ่งกิจใจนะที่พวกนี้ไปประเทศอินเดียไปดูสถานที่ของพระเจ้าสถานที่ปางทุกขจริยาก็มี <c oughs> ตนทุกตนมนารลำบากตัดตามเพื่อนนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ังไม่ได้ตัดตระูปเวลาจะได้ตัดตระรูปก็คือมาดูลงหมายใจเขาบอกนะอแนวทางของพระเจ้ามาทำํำ <c> ก <oughs> านสวดกันอะไรก็เหมือนกันทต่ละเสริญคุณของพระพุทธเจ้า เป็นของผู้พุทธเจ้าสูตรเรียนเกจอ่านมากก็ของผู้พุทธเจ้าของเราให้ดูก็เห็นก็รูปนั่นจะเป็นของเราตนนั่นแหละจเป็น่พึงของตนท <c oughs> าไม่เห็นในรูปแล้วนะในเน้นหนักตรงนี้โนดะยเยพาะ ว, าวันศิลน์วันพระนี่วันมิถุนที่แลน้อยอั่นนี่ต้องมีงานใหญ่อีกด้วยนะงานยังไม่หาได้ยากนีน้าหลวงพ่อคิดว่าจะได้เป็นเจ้าภาพก็เลย คณะสงฆ์ใหญ่ก็เลยไม่เห็นชอบยกมือว่าเสนอได้เกตแปดวัดแปดรูปเสนอวัดที่สองนั่นตั้งสิบเก้ารูปยกมือเลยตกลงเลยวัดที่สองนึงหลวงพ่อก็เลยต้องรอไปอีกกระก่อนเนี่ยค่อยเสนอขั้งต่อไปนั่นแหละพระผู้ใหญ่ก็อยากให้ไปอยู่ประเทศจีนแต่ว่าการเดินทางทํามีซากของ พระเจ้าประตงแกไปร่วมทาพิธีจากพี่เราทํำนี่มันยากผลทุกข์ท่ายก็เลยไม่ได้ต้อนรับหม <c oughs> ูงคลโดยเฉพาะไปนี่ที่นี่วัดแห่งนี้ก็คนจะโยมในเมืองนี้ก็ ม, มีโอกาสดีได้บำรงุงพุทธศาสนาได้พบพระเจ้าประตงพระแม่ครูบาอาจารย์านนมาจากที่โนตมาจากที่นี่แต่เสียดอย่างเดียวให้พูดแต่องเดียว <ś eries> มองอื่นไม่เลยใช่ให <sh> e> <sh> ้ท่านเทศอะไรท่านเทศก็ไม่ได้เทศโว้ยชอบก็ได้ฟังไม่ชอบก็ต้องฟังเพราะว่าหลวงก็บรรบุได้หลวงพ่อได้แสดงธรรมแสดงธรรมพอใจหรือไม่พอใจก็ได้แต่ฟังไปเถอดรู้ไว้ใช่ว่าบาแหววหามนะก็เอาตามที่ ได้ประพฤติปฏิบัติมาพูดถูกฟังนะตามที่ฝึกฝนอกรมฝึกฝนอกลมตนเองยังไงก็เอาแนวทางที่ฝึกฝนอลรมตนเองมาพูดถูกฟังถึงพูดไม่อร่อยหรือว่าพูดไม่พักก็จำเป็นก็ต้องฟังไปเพราะการพูดสูก้กิเลสไปยกยอควาปั้นไม่ได้นะยกย่อควาปั้นเป็นคะแนจะไรแห่งมรรคผลไม่ผ่านเนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์สู่ผลงลมากก็ไม่เคยยกเอาปบาปัน้นผิดอะไรนะแตเรื่องผิดไม่ผิดก็ว่าผิดเพื่อให้เราแก้ไขตนเองนะไปพ้นเทศเพ่งโทษพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เพราะเราทำผิดจริงนะเราไม่ดุจริงนะท่านไม่ดุเฮ้ยท่นไม่ดุให้เราดุให้กิเลสนี่ยนะนี้เราจะไปยกเอาป้าปั้นกิเลสไม่ได้ ว่าดีแล้วดีแล้วพี โ, โยมก็บ่นโยมดีแล้วดีแล้วก็เลยดีใจแบบนั้นดีแล้วมาเกิดทาไมน่นะวิธีเสียงเกเรนะยังไม่ดีนะถ้าดีแล้วไม่ต้องมาเกิดนั่เจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อไม่ต้องมาเกิดหาที่ไหนได้นะพระพุทธเจ้าหาที่มาทํา6ปีจึงได้ตัทรุปไม่ใช่หาวันหนึ่งสองวันปีหนึ่งปี เราจะคอยอะไรหยู่ทำไมไม่ฟังตามคำของผู้เจ้าเราตนเตือนตนใครไม่ได้ใครเล่าอยากเตือนอาตายิปตะโนนาโถตนนั้นแน่ไม่ติดพึ่งของตนทุกพึ่งฟังดูที่ฟังคำของพู้เจ้าวัดไม่ได้เช่าเข้าไปได้ซื้อเห็นไหมวัดอที่นี่เห็นไหมตอนแต่ละเช่าแต่ได้เช่าทำไมไม่อยากจะอยู่หรอทำบ้าหาเด็กคีบทำการทำงานกับมาหาศาลนี้แหลนะหนาซื่อชู้ซื่อกินคือเขา ยุคนี้พุทธิยุบยุบจริเราจะได้อีกพุทธปฏิบัติสิทธรเพื่อไม่ให้มัาเกิดแก่เจิดตายหาเทวดไนได้ของคิดไหมคิดละเอียดไหมดึกซึ่งไม่คำของพระเจ้าอาสิทธธรรมตนทุกตนมันลำบากแต่ทำเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกเป็นครูเทวดาได้มนุษย์ทั้งหลายเลไม่ใช่สอนแต่คนพบนี่โลกนี้เท่านั้นนะตั้งเทวดา แเทวดาเขต้องหมดอายุไขของเทวดากวจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปภูมิของคนเลิศประเสริฐที่สุดนะสามารถที่จะยกฐานะจิตของตนเองให้สูงได้คือจากภูมิของคนแต่ไปท่านต่ามคนฟังชื่อมไหมล่ะคนคนคนเอาอะไรใส่ไปเอาของดีว่าคนดีพอขาไม่ดีคนไม่ดีแปลก็ไปที่ เราไปวัดทำบุญเราทำบุญไหมล่ะถามเข้าไปที่ทำบุญคุยยังไงเ้านักอยูไ่ได้นักใจอก็ได้ขับได้อยู่ได้ทับใจอยู่ได้เราเดินทางมาที่นี่ให้มีของยุกถ้าไปตัวเป่าลมเครื่องบินแล้วไปเลยยังไปมรดกนิพพานเหมือนกันถ้ามีนดมีนี่อยู่ไปไม่ได้มีลูกมีเต้ามีหลาน มีเงินมีทอง ม, อมีครอบมีกลัวมีสามีมีภรรยาอะไรแบบมีสองสามอย่างตั้หารักลกูกคือเสียบปลูกข้อบตั้หารักสามีภรรยานี่คือปลอกปลูกศอรตั้งหารักสัพสมบัตนินี่คือปลอกมัดกินมัดไปมัดแบบแก้ได้จังยังมั้ถามผูไหดถามพระพุทธเจ้าอยได้หัวใจถามหัวใจเราอะไรมัดใจเราทั้งสามอย่างนี่แก้ได้จัอย่างไหย พุท ธ, ธะแปลว่ารู้พุท ธ, ธะแปลว่าผู้รู้ทำให้ใจของเรารู้เรากระมิูรู้แก้งโลกรู้ไหมโลกว่าไม่ยูของโลกนั่นรั้ยสวยงามอยู่กับตัญหาโลกนี่คือมูสัตว์ป่องอยู่เป็นเน็ตโลกรคือความมืดขอบนำสัตว์โลกเนี่ยถ้โลกโกรธหลงมันเป็นเครื่องปิดบงัง จ, จิตใจไม่ใช่ปิดตานะปิดใจนะ ใหญ่นะูกเมื่อดลูกสว่างใหญ่นะลูกบาตรลูกบุญจึงมีเจียรให้พันแขนเกียนติองตาแขนปัญญาสองใจดวงอาทิตย์พันดวงสองไปเห็นสวรรค์นิพพานหลอดแววฟ้าราคาเป็นล้านๆสองไม่เห็นสวรรค์นาคาิพพ า, า, านาต้องให้แสงปัญญาแสงปัญญามาจัดไหนสมาธิจินจินสมาธิปัญญานั่นเห็นไหมหลวงพ่อจินนันทะมีไหมพุทธเจ้าสอน เดืหนึ่งไม่สีวันรักษาไม่ได้ถ้ารักษาไม่ได้ทานทำไมเข้านี่พิธีด่ากิเลสนะถ้าเราอยากจะไปจริงๆถ้าเราเชื่อจริงๆเชื่อว่าพระเจ้าสอนให้ไปปฏิพานธ์ได้จริงๆถ้าไม่ด่าเราจะทําอะไรอยู่มัวเมาลุ่มหลงนั่นมัวเมาเมืองละโลกเข้าไปเมืองละโลกไม่ไจำได้เมื่อคืนนี่ใช่หรือไม่ได้ยินหรือ จะรูเมือ่อข้ามีตแต่แดดก็ฝนสนุกเมื่อข้นมีแต่กินกบเรียนเดื้อกกด้วยกังเหรียญหนึ่งหลายถุงเออเห็นไม่ต่อไปตามบทท่านทั้โลกเขาบอกว่ารถยนต์ต่อไปไม่มีคนขับน่นไปได้เขาเปิดออกมาแล้วเห็นว่าเขาพูดกันอยู่นะว่าปล่อยออกมาจีคันจีคันเป็นเดือ น, เ ด, อนเดือนกลับคืนมาแล้วไม่มีใครไหนคันไหนถูกชนเลยว่านั้น น, ะนั่นเั็นไหมล่ะเอาออกทดสอบ ไม่มีคนขับปล่อยออกดูสู่โลกในไปเที่ยววิ่งลองดนะูเป็นหนึ่งเดือนค่อยๆกลับมาแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีปุ๊บไม่มีชนทัตามไม่ทันโลกนี่ไม่สิ้นสะุดปรุงแต่งเสรจ็จสรรพบนรยอจังมณ์จังนี้แต่ของโคจรสิ้นสุดถ้าปฏิบัติได้ไม่มีเกิดแย่เจ็บตายก็ไม่มีนันจึงไดย่ำญาตโยมมึกเช้านี้ก็ มาจากนู่นแล้ก็ฝรังก็ไปขอสัมผนะัสกันแหะว่าเป็นหมอจากงนู่นทั้งนี้เป็นหมอก็สอนเรื่อง จ, จิตใจเรื่องร่างกายมันรักษาไม่หายหรอกต้องสอนให้รักษาจิตใจจิตใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสังขารร่างกายมันเกิดแล้วแก่เกิดตายไม่ได้ยินหรือสรวจกันแล้วว่ากันแล้วอยู่นะั่นอายาคตาสตินั่นเต็มไปด้วยควาไม่สะอาดทะลุไม่ฟังได้ยินต่งต่งก็จะสะอาดสะอาดสะอาดนั่น ทุกจจสรอย่างหนึ่งทไปอย่างหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่จะไแต่จะลูกว่าการฟังฟังแล้วต้องไปทำอย่งมุนไทยกับมันกวัดหวยินจ้อมตัวใหญ่ไปทางั้นล <c oughs> งปู่เบีว่าเ้ากจไปแต่จะลูกว่าการฟังนะให้ไปทำที่บ้านที่ <c oughs> แต่ละเดินนีนูบาาจะรลกุ่นลุนี้ลุกนนลุ่มนี้ไม่ใช่สุตสกีนเ่อฟังเต็ท่านพูดแต่เราของเรามีไหมล่ะท่านบอกให้ รับประทานอาหารถ้ารับไปไม่ทประทานอาหารก็ไมาอิ่มไม่อิ่มร่างกายมีอาหารใจบอกให้รัประทานอาหารใจเลี้ยงใจแต่งใจรักษาใจแค่นั้นก็ไม่ทํากันไม่ได้คนอื่นจะมาเลี้ยงมันจะอิม่มไหมล่ะเราเตือนก่อยังไปทําเป็นขั้นอย่าไปตัเลี้ยก่อนรีบขั้นตัวเลี้ยงตัวขั้นเกเรนนี่ิดเกเรจะทำไหมนี่คิดเกเรก็ขยันทีตายวันไหนก็ช่างทีนั่น ใหกิเลสตายใจของเรามันตายไม่เป็นคนะ่าไม่บาปหรื่ากิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็ว่ากไว้ให้แน่นหภนะาพปฏิบัติเข้าไปเถอะนะไม่ใช่ชีวิตของเราจะอยู่ได้เป็นร้อยปีหมื่นปีผู้ติดแตถึงร้อยปียากหรือในหมดไปเท่าไหร่แล้วส่วนมากจะขึ้นค้อนไปแล้วแต่ละคนแต่ละคนที่ผ่า น, านมาชอบอะไรกินอะไรรับประทานอะไรคล้องอะไรอยู่ในโลกยังไม่สิ้นสุดเรือ มุกขีเต็มวงอยากเข้าใจทําไมทําให้มันสิ้นสุดมันสิ้นสุดไหมเรื่องในโลกนี่อรียทํารียดรู้ให้มันสิ้นสุดลองดูทำให้สิ้นสุดแล้วทําไมไม่ไปเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างหรือท่านเชื่อทําไมไม่ทําจริงหรอพระเจ้าไม่ได้โกหกนะทําจริงเห็นจริงได้จริงพ้นจริงอย่างพระเจ้าประสมค์พระแม่ครูอาจารย์อยู่กี่ปีกีปีรหรอท่านเชื่อจะละออกไปหมดเลยนะรวมถึงแกลโกรกี่อย่าง ม, มัคือรลลมเครื่องหัวทั้งทาคือลมหายใจข้าออกนะเจตละคมสนุกแบบโลกียะโลกี้ยะนะไม่เป็นโลกุตระให้มีจิตใจมุ่งหวังไปแต่เดินทางตรงเลยถึงชาก็ไม่เป็นไรนะรีเฟกให้ทำถ้าดูก็เห็นก็รู้นะถ้าไม่ดูไม่เห็นในรูปมีคำตอบอแก้ดีนะ ดูอะไรดูสวรรค์นั่นแหละสวรรค์ในอกนโลกในใจเรียกว่าทำบุญก็คือการดูสวรรค์หยุดดูสวรรค์หนึ่งนาทีเป็นยังไงหรือหยุดทำบุญเรือที่ไหนแต่ว่าทำบุญทำบุญก็ให้เข้าใจเรื่องการทำบุญบุญคือควงเบาเป็นลมลก็เบาวไหมล่ะลมพาไปวิวไปถึงไหนก็ได้ไม่มีลมใจก็ไม่มีแร้วมันง่ายไหมล่ะที่อยู่ของใจอาหารของใจก็คือลมแต่นั้น เพอนบุญกุศลงตนเดาดงรุราติที่น้องตลดทางพระเจ้าพระสง์ได้เตลาดมาบัมธาตพอดีรักษาสิพอดีเจริญเมตตาานาตามลำความั้งใของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลเรืนี้เราได้กระทำแบบนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทับคุณประสงค์และสิ่งดิสิทธิ์ต่างหลายยู่ในสาธกนลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องอุกกรักาลตนเดางญาติพี่นวอรุกนตลอดท้งพระเจ้าประสงค์จงมีแต่ความสุขประสุขกายสุขใจ เรื่องทำได้ความสะดวกตลอดสน <c oughs> สะดวกสบายตลอดปลอดภัยนึกถึงใดการงานจึงไดการเงินจึงไรปัณฑนาจึงหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็ จ, รจโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงภ า, ากันตั้งอกตั้งใจตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีดวงจิต ด, ดวงใจได้เห็นม่าเป็นโพลเห็นสวรรค์เห็นปณิพนิพาในในปัจจุบันในชาตินี่เธอ <c oughs> <c oughs> ธรรมะจะถามธรรมะจะถามตรงไหนเป็นยังไงไม่มีใครแปลต่างชาติเป็นยังไงนะอาจารย์กินบางทีประเทศเยอรมันก็ไม่รู้ดังประเทศเยอรมันใครแปลให้ฟังไม่เแปรมากก็ได้หรอเรื่องอาหารกายกับอาหารใจก็พอละ ใครจะความใจจะถามก็กลับก่อมาถามที่ใกล้ๆไปถามคนเดียวสองคนัะไม่ดีคนอื่นไม่ได้ยินด้วยจำไ <ป S 1> ม่เสร็จพิธีนละวทุนี้เวลาทำพิธีไ ป, ปอป อ, อ๋อ อันที่นเท่าเียวกว่าท่านที่นี่ผมทีผมมก็ะจม พระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ต้องมี อ, อะไรล่ะมีเขาทำเป็นซีดีเป็นภาพยนต์ออกมาพุทธศตสดาลงพระพุทธเจ้าเลยตัดรูป เ, เพราะดูลมหายใจเข้าออกถ้าทำจุดนี้แล้วทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปทางที่ชัว<ร>่วถ้าพูดง่ายๆนะถ้าไม่ถึงจุดนี้นะถ้าไปหลงนิมิตหยิดเข้าสมาธิ เผลอสมาธิไปเล่นลิมิตแต่มน่นแต่นี่บางทีลิมิก็ทาให้กลัวก็มีทําให้ดีใจก็มีนะผลเสียก็มีเยอะเหมือนกันต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําถ้าเชื่อจุดนี้แล้วจุดนี้ก็ไปเตือนเองนะถ้าไปเชื่อก็มาดูลมหายใจเขาออกอย่าพังเผลอจากจากหลงนะแต่ยังตั้งสติดีด ที่ดีทุดคือเข้าทางเวทนาถ้าจะเห็นยังมีคําถามให้แก่หลวงปู่แก้ให้ก่อนนั่งแต่ตอนนี้เราก็ไปถึงตอนนี้เช้าเลยได้มีคําถามแ น, น, น่นอนนะนั่งไม่ต้องกระดูกกระดิกนะไม่ใช่ว่านั่งตะกี้เกียดกระดุกกระดิกไปลุกมาลุกไปนู่นลุกไ ป, กไ ป, กไปนี่ไม่ได้นะนั่งกิยาบทเดียวถ้าไหนเออยู่ท่านันถึงกับสว่าง มันไม่นานหรอกไม่ถึง10ชั่วโมงมองยึด้ว้นั่นแนะ่ะถ้าเข้าใจอยู่นี่นะทำย่อรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วส่วนมากเราไปติดต <c oughs> ิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจ่นี่ไหลรยังไม่เท่าจงไม่แจ่เวลวเก็บใข่ได้ป่วยเขาถามหมาเท่าหมาแก่ไหม เขาอยาป่วยวลางล่ะน <sh> ี Aye, <AJ> <sh> ่ก <sh> ็ป่วยได้เวลาป่วยมาจึงทำท่าฉันป่วยต้องจะขาดฉันอยากปฏิบัติธรรมเพราะว่าจะทิพย์วันนี้ก็เป็นหนังหรือังไครทังโม่ก็อยากไปไกลวัดนั่นคืน้นหนักจุดนี้ไม่มีปัญหาทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมพ่อแม่ครูบาอาจายจำเดาอีกนะอยากไปทิ้งจุดนี้นั่นทำย่อมรักษาพูท เป็นปีอะไรขึ้นมาพอสามารถที่จะมีทำม า, มาเตือน <c oughs> <c oughs> ขอให้ถูกตามตรงนี้อย่าไปกลัวตั้งสติอย่างเดียวคืออย่า ก, กลัวถ้ากลัวเกิดเป็นเสือมาเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีเสือกินแต่แบบเสือมันเป็นสัญญาก็มี <c oughs> มาทดลองนะ่ะนะทดลองกิเลสแน่ไหมคนนี้เอากินไหมนะเอาอยากกินก็กินกันเลย ถ้าเคยฆ่ากันกินกันกินกันเลยนะยัวทำไมมไปอยู่ผู้เก่าเลยโอ้ยพวกสร้างคืมพําคือ ม, ม, มเตียงเดียังไดน <c ười> ไปแลนนี้ที่แล่นนี้สร้างได้เลยคำก็เกิดทไปแลนใส่เอาเอาตามตัวแม่ปมไปส้งเดีวนั่นพวกใ้ขากันว่าเป็นหังหรอกนันตั้งหาตั้งคนตังนั่นเลยปี่ี้จะูด ภูเขาเราคาก็ดีอายุมหาจินนี่ก็หาคือกันมาหาจินหาธรรมธมเนี่าธ ข, ข, ของพระพุทธเจ้าอรเสีขากันเดียดเดียวกันก็ตามสัยญาใส่บอกเคยขากันสัสุขสบายนะตั้งใจทำนั่นนั่นฝากตายเพเาะมันถิ่มระดีถิ่มได้ระ ด, ดีตายด้วยสัญญาจริงๆนะมันเป็นอย่างเป้าจริงๆเลยนั่ น, น, นที่ทำา เป็นผู้ญิงผู้เดียวมันยากมันเป็นอันตรายออกพักอันตรายได้คือกันแล้วมีออกตอนห้าโยกประหยัดถึงก็โป๊ะหมายถึงจังหวัดเลยทำมหกออกมโ่ลา น, นสิบวันจะกออกมาชันข้างหนึ่งสิบวันออกมาชันข้างหนึ่นงเขาไม่เห็นห่วงกับเพื่องภาษาตั้งอุปถัมภจิตใจแค่นั้นตั้งใจปฏิบัติจริงจนั่นี่ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติ เร <c oughs> าไปขายไที่ไม่ปฏิ บ, บัติดต่อกันยังไม่ทํากลัวแล้ว <c oughs> กลัวใจยังทำแล้วเลยผัดวันประกันพุ่งอ่างการอ่างเวลาอ่างบุญอ่างกุศลไม่มีบุญแล้วเราจะมาเกิดได้ทังไนนะยิ่งไม่พบยิ่งได้พบำคำคาสั่งสอนของพูะเจ้าออกสนะ็สุดยอดแล้วนะสุดยอดของบุญนะมารีบร่บุญอยู่เรียบบุญ กับบ้นเก่าด้วยบุญมาด้วยบุญไม่อยู่ด้วยบุญขาดทุนแล้วเข้าใจไหมไม่อยู่ด้วยบุญก็จะเรามาวัดยังไงล่ะคําพูดว่าไปทําบุญทำบุญถ้าไม่ทําบุญก็หกแล้วสินด่างพร้อยในหัวใจแล้วเข้าใจไหมความรักไม่มีในโลกอ่ะก็ตัวของคนอื่นด้วยก็หกกับาของด้วยชวนมวยพวกว่านั่นใจแล้วนะมาไปทําบุญที่วัด ถ้าถ้าถ้ายัก็อย่าพูดว่าไปทปําบุญมาไปทําทานไปสร้างโรงทานอยไปก็สร้างโรงทานทนาําบุญผสมกันแล้ว <c oughs> ถ้าไปทปําบุญก็ต้องพูดให้ทําตามพรคําว่าไปทปําบุญทีทานศีลบุญทานศีลกวาวนาไปผุดรวมกันไปบัต ไ, ไปทปํปาบุญใส่บาไปทปํปาบุญใส่บาทสวนมากได้แต่ทํใาใส่บาทนะ บุญก็ไม่ไครทำละติเมื่อเวลาบุญไม่ได้ทำมันก็เลยไม่มีปัญญานั่นมันขาดไปในตัวสําคัญที่สุดคือตัวบุญเนี่ยแหละถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่ีปัญญาพระเจ้าประสงค์ประเทศงานจบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนๆเนี่ยพ่อแม่คูบาอาจายายใจล่วหไหลตายไปแล้วเอาเงินมนตพระเจ้าประสงค์ประเทศแสดงธรรมสามธรรมะมันจไปตามมาทําไปทามาเอาข้อธรรมมาทรัพยสมบัติกับปัญญาจะเอาอะไร ถามโยมด้วยถามพระหรืทำทำพิธถามกันพระแล้วก็ถามไม่โยมเข้าใจทีนี้ทรัพย์สมบัติเอาทานเอากองทองมากองเสรยถาไว้เดี๋ยกองเงินกองทองนี่กองปัญญากระถาอันหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะถาดนี้ถาดทรัพย์สมบัติถาดนี้ถาปัญญาที่ถาปัญญาไม่มองเห็นอะไรเลยนี่เด็กคนจนมากเ็าเอาอะไรล่ะเอาทรัพย์สมบัติ ทางที่ถูกคือปัญญาถ้าไม่มีปัญญาซับน้ำบาดปัหาไม่ได้นี่คนหนึ่งอูปูเบียงเป็นถูกหวยมาหนึ่งบาทไม่รู้หนึ่ง0มื่บาทไม่รู้จักที่ไว้ไปเมียไปยั่นไทยหนาตําๆแล้อว่าคนมาอาศัยก็มาเอาไปใจเห็นว่าหลักรักษาพระกลม ศาสนาสับถมบาปไมุ่้นเพราะไม่ไม่ไม่คุ้มเพราะไม่มีปัญญานการที่ถูกต้องก็คือปัญญาปัญญามาจากไหนที่นี่สมาธินั่นเน้นหนักอยูนี่ให้มากคนเราขาดการสมาธิหรือขาดการทำบุญมันไม่เข้าใจหลวงพ่อเลยเอามาบอกว่าไปวัดไปทำบุญทำบุญเท่านั้นแหะไม่ได้ไปเน้นว่าทำทำสมาธิทำสมาธิถ้าความหมายก็คือสมาธิกับทำบุญกคนเดียวกัน ทำให้จิตนิ่งก็เห็นคนสมสงบสุขจิตคนมันม้นในนิ่งมันนิ่งไหมถามใจของเราดูสิเพราะจากฟังไปแล้วก็ไปยุ่งแล้วสินั่นแหละคนเราชอบยุ่งนอาฟังไปแล้วนะหมีใครทันดิสิตังปฏิสตังปุ่งมังคิดเป็นเอวเป็นเอจตัวสเปรยเปลีนตัวซ้กับปลา อนตุปนัลโซจะธามนีโโชเจลโะทาสัพิติโยวิัตสันตุสัพพะโลกโวเป็นอนตุโมเตวัตรรยโยทุขีสีขาโยโกวะภิวาจนสีเนิจจมูธาปิจิโนภัตตาโรธรรมาวัฏฐิตตอายุพโนสุขังลา